พวกเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องมาเจอความทุกข์กันไม่มีใครที่จะสามารถพูดได้ว่าไม่มีความทุกข์เลยต้องมีความทุกข์กับเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างกับคนนั้นบ้างกับคนนี้บ้างกับสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้าง แม้ว่าจะรวยหรือจะจนแม้ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นเล็กเป็นน้อยทุกคนไม่เว้นจะต้องบ่นว่าทุกหนอทุกหนอกันและทุกคนก็พยายามหาวิธีดับความทุกข์กัน บางคนก็ดับความทุกข์ด้วยการไปเที่ยวบางคนก็ดับความทุกข์ด้วยการไปมีแฟนบางคนก็ดับความทุกข์ด้วยการไปซื้อของอะไรต่างๆหรือไปทำอะไรต่างๆไปดูไปฟังไปอะไรเรียกว่าไปเสพกามไปเสพรพปเสียงกลิ่นรส ไปหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกิจลดเวลาได้เสบแล้วความทุกข์ที่มีอยู่ก็หายไปแต่ไม่หายไปอย่างท้าวรนเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วความทุกข์ก็กลับมาใหม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามความทุกข์นี้ จะรอเราอยู่เสมอเราจะหนีมันไปเที่ยวหนีมันไปทำอะไรเดี๋ยวมันก็มารอเราอยู่ร่างกายของเราเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บเดี๋ยวมันก็ต้องตายไม่มีใครที่จะ นีความทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ไม่มีใครหนีความทุกข์จากการพัดพากจากกันไปได้เดี๋ยวก็ต้องมีการพัดพากจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบไปกันนี่คือความทุกข์ที่ไม่มีใครสามารถกำจัดได้ยกเว้นคนฉลาด อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้ส่งค้นพบวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆกับเรื่องราวต่างๆวิธีที่จะทำให้ไม่ทุกข์ก็คือการไม่เกิดนี่เองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดพอไม่เกิดก็ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายไม่ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆมาดูแลร่างกายเลี้ยงดูอย่างไรดีขนาดไหน ร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและความสุขต่างๆที่หามาได้ไม่ช้าก็าเร็วก็ต้องมีการสิ้นสุดลง ม, มีการพัดพาดจากกัน ม, มีความทุกข์กับทุกเรื่องทุกสิ่งที่เรามามีกัน วิธีเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราไม่ทุกขทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้กับบุคคลกับสิ่งต่างๆกับร่างกายของเราอย่างที่พวกเรากําลังทุกกันอยู่ในขณะนี้วิธีเดียวเท่านั้นก็คือวิธีของการไม่มาเกิดถ้าเราไม่เกิดไม่มีร่างกาย เราก็ไม่ต้องมาทุก์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ต้องมาทุก์กับความหิวของร่างกายไม่ต้องมาทุก์กับสมบัติเข้าของเงินทองที่เรามาหามาหามาเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องมาทุก์กับคนนั่นคนนี้ที่เราหามาเพื่อให้มาให้ความสุขกับเรา ปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันในขณะนี้และมีไปจนถึงวันตายจะไม่มีอีกต่อไปถ้าเราไม่กลับมาเกิดอีกเพราะทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังกลับมาเกิดไม่ว่าจะกลับมาเกิดรวยเกิดจน ก็หนีความทุกข์ไปไม่พ้นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้านายเป็นลูกน้อง mm hmm. ก็เจอความทุกข์เหมือนกันเพราะร่างกายของทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ามาเกิดเท่านั้นเอง mm hmm. ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทุกข์กันอย่างที่เราทุกข์กันเนี่ย อยู่ขนะนี้แต่พอมีร่างกายตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ <c oughs> ก็เริ่มร้องไห้เลย <c oughs> ไม่มีใครเกิดมาออกมาจากท้องแม่แล้วหัวเราะ ก, กัน <c oughs> มีแต่ออกมาแล้วร้องไห้กัน <c oughs> คนเราถ้าไม่ทุกข์จะร้องไห้ทำไม <c oughs> <c oughs> ถ้าสุขก็ต้องหัวเราะ ย่องยิ้มแต่ถ้าออกมาจากท้องแม่แล้วก็เริ่มร้องไห้ก็แสดงว่าเริ่มทุกข์แล้วทุกข์ตั้งแต่เกิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความทุกข์ก็คือการเกิดนี่เองพอเกิดก็ทุกข์แล้วก็พอแก่ก็ทุกข์อีก พอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์อีกพอจะตายก็ทุกข์อีกแต่ถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีวันตายดังนั้นวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปไม่ให้มีอีกต่อไป ก็อยู่ที่การไม่มาเกิดนี่เองแล้วการที่จะไม่มาเกิดได้ต้องทำอย่างไรก็ต้องหยุดตัวที่ผลักดันให้จิตมาเกิดนั่นเองจิตนี้เป็นผู้ที่มาหาร่างกายอยากพ่อแม่คนใหม่จิตตาที่ การที่จะมาหาร่างกายนี้ก็มีร่างกายอันเก่าอยู่ก่อนพอร่างกายอันเก่าตายไปจิตก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่ออะไรพาให้จิตต้องไปหาร่างกายอันใหม่ตัวที่พาให้จิตไปหาร่างกายอันใหม่ก็คือตัณหาความอยาก ความอยากเสพกามการแปลว่าอะไรการแปลว่ารูปเสียงกลิน่นรสผลตภะกามคุณทั้งห้าที่จิตต้องการจะเสพต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่นรสผลตภะการจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้ ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายนี่ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเสพไม่ได้เหมือนคนที่อยากจะดูหนังถ้าไม่มีตาก็ดูไม่ได้คนที่อยากจะฟังเพลงถ้าไม่มีหูก็ฟังไม่ได้คนอยากที่จะ กินจะเดิมก็ต้องมีลิ้นมีจมูกถึงจะได้รู้ว่ากินอะไรกิ่นหอมไม่หอมอรสหวานไม่หวาน อ, าอร่อยหรือไม่อร่อยจำเป็นที่จะต้องมีลิ้นมีจมูกถ้าอยากจะสัมผัสอะไรที่นุ่มที่แข็ง ที่ร้อนที่เย็นก็ต้องมีร่างกายเป็นผู้ไปสัมผัสจึงต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่มีตาจะหูจมูกลิ้นกายครบก็คือร่างกายนี้ร่างกายของมนุษย์และร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกัน จิตที่มาได้ร่างกายของมนุษย์กับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็มีความอยากเหมือนกันคือมีความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเหมือนกันต่างกันตรงที่จิต ท, ที่มาได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเพราะจิตไปทำบาปมาในอดีตเลยต้องไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน แทนที่จะได้ร่างกายของมนุษย์เนะจตที่จะมาได้ร่างกายของมนุษย์นี้เป็นจุดที่ปราะะจากโทษหรือคุณคือเจตที่ได้ไปใช้บาปแล้วหรือไปใช้บุญแล้วเป็นเจตที่ไม่มีบุญหรือบาปที่มีมากกว่ากัน ก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าจิตยังไม่ได้ไปใช้บาปมีบาปมากกว่าบุญจิตก็ต้องไปได้ร่างกายของสัตว์เดราจฉานก่อนเศรษการมในรูปของสัตว์เดราจฉานแทนในรูปของร่างกายของมนุษย์แต่ก็เป็นการเสบกรรมเหมือนกันเพราะเหตุที่ พาให้มาเสพกามกันก็คือกามตัณหาความอยากเสพกามนี่เองนอกจากการอยากเสพกามแล้วก็ยังมีความอยากเสพความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาแล้วก็ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากทั้งสามนี้ เป็นเหตุที่ผักดันให้จิตใจเวลาไม่มีร่างกายต้องไปหาร่างกายเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าถ้าไม่อยากจะให้จิตมาเกิดก็ต้องกำจัดตัวที่ผักดันให้จิตมา เกิดนั่นเองตัวที่ผลักดันให้จิตมาเกิดก็คือความอยากทั้งสามนี้ k าม m ร tanha ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสภาวะ t a n h าความอยากมีอยากเป็นวิภาวะ t a n h าความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต้องกําจัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจพอกําจัดได้แล้ว จิตก็จะไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะใช้ร่างกายอันใหม่มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าไม่มีความอยากแล้วจิตก็จะไม่ต้องมาเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละคือวิธี ของคนฉลาดของนักปราชญ์ที่ได้ศึกษาค้นหาสาเหตุของการของความทุกข์ของตนว่าทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะมีร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจนี้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย มีวิภาวะตัณหาเรียกว่าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอยากอยู่นานๆอยากอยู่แบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรียกว่าภาวะตัณหาเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงที่ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บไม่ตาย ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็จะต้องเข้าสู่ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์กันทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่โตหรือไม่ใหญ่โต ต้องทุก์กับความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันเพราะเวลาแก่เวลาเจ็บหรือเวลาจะตายไม่สามารถไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดที่ไม่สามารถเสพยาเสพติดได้พอไม่สามารถเสพได้ความทรมานใจ ที่เกิดจากความอยากเสพยาเสพติดมันก็จะปรากฏขึ้นมาในใจทําให้ถึงกับอยากจะตายพอาะทนกับความทรมานที่ไม่ได้เสพยาเสพติดได้รูปเสียงกิเลสปุถุพะที่เราเสพกันนี้ก็เป็นเหมือนยาเสพติดเนี่ย พอร่างกายของเราไม่สามารถเสพได้เราจะมีความรู้สึกไม่ดีในใจลองสังเกตดูวันไหนที่เราไม่ได้ไปเที่ยวกันไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้ไปกินไปดื่ม้องอยู่บ้านแล้ววันไหนไม่สบายไปทำอะไรไม่ได้ วันนั้นใจจะรู้สึกกดจิดรู้สึกไม่สบายใจนนั่นและคือความทุกเวลาที่ไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ตามที่เคยทำกันแต่ถ้าวันไหนเราสามารถเอาออกไปทำอะไรต่างๆได้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้ เราก็จะไม่ค่อยรู้สึกทุกข์กันแต่พอเวลาไหนที่ทำไม่ได้เท้านั้นเราก็จะทุกข์กันขึ้นมาทันทีเนี่ยแหละโทษของการที่เรามีความอยากอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดพฎิภาณ์อยากให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยากให้ไม่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นตัวที่ทำให้ใจของเรานี้มีความทุกข์กันแต่ถ้าเราสามารถที่จะกาจัดความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดไปได้ใจของเราจะสงบใจของเราจะเฉยจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่ไม่ได้เสียรูปเสียงกลิ่นลดจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่ร่างกาย แก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายจะตายออแล้วก็หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจที่ไม่มีความอยากก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดเด็กต่อไป เ, ออเมื่อไม่มีการเกิดความทุกข์ก็จะไม่มีต่อใจดวงนั้นใจที่หยุดความอยากทั้งสามได้ ทำลายหรือกำจัดความอยากทั้งสามได้วันที่ทำลายความอยากทั้งสามได้หมดนั้นเป็นวันที่ความทุกข์นี้หมดสิ้นไปจากใจไม่ต้องรอให้ตายก่อนพระพุทธเจ้านี้บททุกในวันวิสาขาบูชาขณาะ น, านั้นอายุสามสิบห้าปี หลังจากบวชได้หกปีแล้วได้ส่งศึกษาได้ค้นคว้าหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและหาวิธีที่จะกำจัดสาเหตุที่ทำให้มาทาให้จิตใจทุกข์พอได้พบกับวิธีที่จะหยุดความอยากทั้งสามได้ พอได้ใช้วิธีนั้นมากําจัดความอยากที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้พอความอยากหายไปหมดปับ๊บเนี่ยความทุกข์ในใจหายไปหมดทันทีแล้วก็ไม่มีความทุกข์โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปอยู่เฉยๆก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนตอนที่มีความอยาก ตอนที่มีความอยากนี่อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วจะรู้สึกกดเหยียดต้องดูอะไรบ้างต้องฟังอะไรบ้างต้องกินอะไรบ้างต้องเดิมอะไรบ้างต้องไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่บ้างถึงจะทำให้รู้สึกสบายขึ้นมาแต่พออยู่เฉยๆไม่ได้ดูไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้กินไม่ได้เดิมอะไร ไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ถ้ามีความอยากอยู่ใจจะรู้สึกหดเดหีิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากความรู้สึกหงุดหีิดจะไม่มีใจจะรู้สึกเฉยสบายจะเรียกว่าสุขก็ได้พอไม่มีความทุกข์ในใจแล้วใจก็จะพลิกกลายเป็นความสุขขึ้นมาผู้ที่ได้ บรรลุปเป็นพาาระอรหันต์คือผู้ที่สิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณ ห, หาแล้วเนี่ยจะเป็นใจที่เป็นบรมมัสุขจะมีแต่สุขเนาะสุขเนาะอยู่ภายในใจต่างกับตอนที่ยังไม่ได้กำจัดความอยากให้หมดไปจากใจ ใจจะมีแต่ความทุกหนอทุกหนอทุกหนอกันทุกก็มีหลายแบบหลายระดับบางทีก็ทุกแบบเล็กๆน้อยๆเรื่องนิดๆน้อยๆ ก, ก็ทุกขึ้นมาได้บางทีก็ทุกกับเรื่องใหญ่ๆโตๆแต่มันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันบางทีได้ยินเสียงคําเดียวก็ทุกขึ้นมาได้ บางทีเห็นอะไรขึ้นมาเพียงแวบเดียวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้บางทีคิดถึงเรื่องอะไรเพียงแวบเดียวความทุก <being> ข <through> <adaptation> ์ก็เกิดขึ้นมาได้ทุกข์มันเกิดขึ้นได้จากที่เราไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหรือไม่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆบางทีไม่ได้สัมผัสก็ทุกข์ บางทีได้สัมผัสก็ทุกข์<_ <C> _>เพราะรูปเสียงกลิ่นรสที่เรามีความสุขต้องเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบก็ทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าไม่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วความทุกข์มันมีหลายรูปแบบแต่มันก็จากกามตัณหาภาวะตัณหา ละวิภาวะตัณหาทั้งสามตัวนี้เท่านั้นเองถ้าไม่มีสามตัวนี้แล้วจะไม่มีอะไรมาผลิตความทุกข์ให้กับใจผู้ผลิตความทุกข์ให้กับใจก็คือตามตัณห า, ะะหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาผู้ที่สามารถหยุดหรือกําจัดตัณหาทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้ ผู้นั้นก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปผู้นั้นจะไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปทุกเลยไม่มีกับผู้นั้นไปผู้ที่ไม่มาเกิดผู้ที่ยังอยู่ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ตั้งแต่วันที่ได้ชนะความอยากทั้งสามนี้ได้กาจัดความอยากทั้งสามนี้เรียกว่าวัน วันบรรุเป็นพาาาระอรหันต์กวาดาวันนั้นเป็นวันที่ความอยากทั้งสามที่เคยครองหัวใจมาเป็นเวลาอันยาวนานได้ถึงวาระสุดท้ายของมันมันจะไม่มีความสามารถที่จะมาก่อสร้างความทุกข์ให้กับใจได้อีกต่อไปเพราะใจได้กาจัดมันด้วยธรรมอันวิเศษ ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพกเนี่ยทำที่จะกําจัดความอยากทั้งสามให้หมดปัะจกักจากใจได้ก็คือปัญญาเปัญญาก็คืออริย ส, สัจสีไตรลักษณ์เนี่ยผู้ที่จะกําจัดความอยากได้ต้องเห็นอริยสัจสี่ต้องเห็นไตรลักษณ์อริยสัจสี่นี้อยู่ในใจ เวลาใจทุกข์เนี่ยก็ทุกข์ในใจและผู้ที่ก่อทุกข์ก็อยู่ในใจอริยาาสัจสี่ที่เราได้ยินกันตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอริยาาสัจสี่ในใจของพวกเราเป็นอริยสัจสีที่อยู่นอกใจที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าใจของเราทุกข์ ความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราใจของพวกเราหายทุกข์เพราะเรามีปัญญาที่ทำให้เราสามารถหยุดความอยากได้ปัญญาที่จะทำให้เราหยุดความอยากได้ก็คือการเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโอสถภะนีมันเป็นทุกข์นั่นเองมันไม่เป็นสุขพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ ก็จะไม่ไปอยากเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดอีกต่อไปความอยากเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดก็หมดไปความอยากมีอยากเป็นก็หมดไปไม่ว่าอยากจะมีอยากจะเป็นอะไรก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เป็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ความอยากต้องการแล้วความอยากมันก็จะหายไปทันที แต่อริยาสัจสี่ที่เราได้ยินกันตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอริยา ส, าสัจสีที่มีอยู่ในใจของพวกเราใจของพวกเราทุกคนตอนนี้มีอริยาสัจสี่กันแต่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่หันเข้ามามองในใจของพวกเราเพราะเราหันไปมองข้างนอกกัน ไปมองข้างนอกใจไปมองที่รูปเสียงกลิ่นรสกันเพราะว่าความอยากมันส่งให้ใจเราออกไปข้างนอกสั่งให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันอยากจะกินอะไรมันก็สั่งให้เราไปที่ร้านที่มีขายอาหารชนิดนั้นอยากจะกินไก่ทอดก็มันก็จะสั่งให้ไป KFC อยากจะกินพิซซ่ามันก็สั่งให้ไปร้านพิซซ่าอยากจะกินแมคกมันก็ส่งสั่งให้ไปร้านแมคโดนัล์ความอยากมันสั่งให้ใจไปข้างนอกตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยพวกเราไม่เคยมองเข้ามาข้างในเลยมองออกไปที่ข้างนอกตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาก็อยากกินอะไรแนละ้วมันก็สั่งไปหาตู้เย็นนะ ถ้าที่บ้านมีตู้เย็นก็สั่งให้ไปหาตู้เย็นหาอะไรดื่มเย็นๆท่าหน่อยก่อนหรือถ้ากาแฟถ้าติดกาแฟก็จะสั่งให้ไปหากาแฟมาดืม่มใจของเราเลยไม่เคยเห็นอริยาาสัจสี่ที่เป็นตัวสั่งให้เราไปหากาแฟกันตัวที่สั่งให้เราไปหากาแฟคืออะไรก็คือตัวกามตาตฐานะเนี่ยความอยากเสพกาม เสพกาแฟนี่ก็เป็นกามอย่างหนึ่งเสพลูปของกาแฟใชเสพกลิ่นของกาแฟถ้ากาแฟใส่ในถ้วยที่ไม่น่ากินก็ไม่อยากจะกินละกาแฟจะกินก็ต้องใส่ถ้วยที่น่ากินแล้วก็มีกลิ่นโชยมาที่หอมโผล่ถึงน่ากินถึงอยากกินกันอายศาสตร์เราไม่เห็นกันแต่มันเป็นตัว ที่ดำเนินเป็นตัวที่บงการการกระทําของเราอยู่ตั้งแต่เราเลืมตาขึ้นมาเลืมตาขึ้นมาก็อยากแล้วอยากกินอยากดื่มแทนที่เราจะมาดูที่ตัวที่บงการคือความอยากเราก็ไปดูตัวที่ตัวบงการสั่งให้เราไปดู ไปดูเสว่าในตู้มีอะไรกินบ้างเปิดตู้ดูมีกาแฟมีอะไรมีขนมนมเนยอะไรมีขนมปังหรือเปล่าิ่งนมปังมีไข่ทอดหรือเปล่ามันจะสั่งให้เราไปมองข้างนอกเราเลยมองไม่เห็นตัวที่เป็นตัวบงการใช้ให้เราไปทำอะไรต่างๆคือความอยากที่อยู่ในใจ และเราก็ไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาที่มันสั่งเวลามันสั่งปั๊บนี่ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วในใจถ้าไม่เกิดความทุกข์ก็จะไม่ทำตามความสั่งมันก็ได้แต่ที่ต้องทำตามความสั่งก็เพราะว่ามันทุกข์แล้วพออยากขึ้นมานี่ใจมันสั่นแล้วใจมันหิวแล้วเรียกว่าทุกข์แล้ว เ้าจะทำให้ใจหายสันหายทุกได้ก็ต้องไปทำตามคาสั่งของความอยากเราก็เลยไม่เคยเห็นอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของพวกเราและอริยสัจสี่นี้ส่วนที่ทำงานส่วนใหญ่ในใจของพวกเราก็คือสมุทัยกับความทุกนี่เองอส่วนเอกคู่หนึ่งที่มีอยู่ในใจ อริยศัสตร์สีมีอยู่สี่มีแบ่งเป็นสองขั้วสองขั้วขั้วที่สร้างปัญหากับขั้วที่จะมาแก้ปัญหาในใจของเราตอนนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่ขั้วที่สร้างปัญหาสแสดงฤทธิออ์ออกมาสแสดงตนขั้วที่จะมาแก้ปัญหานี้ไม่ค่อยได้ออกมาเพราะไม่มี ไม่มีใครสอนให้สร้างคั้วนี้ขึ้นมาคั้วที่จะมาเห็นโทษของการทำตามความอยากแล้วก็มาหยุดความอยากขั้วนี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาฟังเทศฟังธรรมนั่นเองพอเรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่เราจะดับความทุกข์ด้วยการหยุดความอยาก ว่าต้องหยุดได้อย่างไรก็ต้องหยุดด้วยปัญญาหยุดด้วยสมาธิหยุดด้วยสติหยุดด้วยศีลนี่พอเราได้ยินได้ฟังธรรมแนละ้วถ้าเราอยากจ ะ, ะทำให้อีกขั้วหนึ่งมีกำลังขึ้นมาเราก็ต้องมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากันสร้างศีลกัน เช่นเราพวกเราที่มาอยู่วัดกันตอนนี้เรากำลังมาสร้างอีกขั้วหนึ่งของอริยสัจสี่ขั้วที่เรียกว่ามร ก, กับนิโรธเพราะว่าถ้ามีนิโรธ ถ, ถ้ามีมรกนิโรธก็จะดับนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมานิโรธก็เพอการดับทุกการดับของความทุกหรือการหายไปของความทุกคือนิโรธ ส่วนนิโรธจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีมรรคคือมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลเราเลยต้องมาอยู่วัดกันเพื่อมาสร้างขั้วนี้ขึ้นมาขั้วนี้ไม่มีในใจเราในใจเรามีอีกขั้วหนึ่งก็คขั้วที่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากต่างๆ แล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาพอเราเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บใจเราจะเริ่มกะวนกระวายกระสับกระส่ายแล้วถ้าอยากไปนานๆมันก็จะยิ่งทวีคูณไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ตอบสนองความอยากเดี๋ยวก็นอนดิ้นรงแดง เราเลยไม่ค่อยได้เห็นอริยสัจสี่กันเพราะว่าพอใจเราเริ่มสัน่นเริ่มดิ้นนะทีนี้เราต้องไปรีบทําตามคําสั่งของความอยากนะสั่งให้ไปหากาแฟมาดื่มก็ต้องไปละสั่งให้ไปหาอะไรมากินก็ไปนะเราก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาสร้างอีกขั้วหนึ่ง คือมาสร้างศีลสมาธิปัญญาจนกว่าเราฮึดสู้ขึ้นมาว่าไม่ไหวแล้วทุกแบบนี้ไม่อยากจะทุกข์แล้วทนไม่ไหวแล้วต้องไปหาวิธีที่จะทำลายความทุกข์เหล่านี้ก็ถ้าเราโชคดีมาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาก็จะมีคนแนะนำว่า ถ้าทุกข์ใจไปวัดสิไปเรียนรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจพอเราไปวัดเราก็จะได้มาฟังเทศฟังธรรมเหมือนอย่างที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เราก็จะได้รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราแล้วที่มันทุกข์ไม่หายก็เพราะว่าเราไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ ช่วงไหนที่เราตอบสนองความอยากได้ความทุกข์มันก็หายไปชั่วคราวแต่บางทีบางครั้งเราไปเจอความทุกข์ที่เราไม่สามารถตอบสนองตอบโจทย์ได้คือเช่นเวลาเราเสียคนที่เรารักไปแต่คนความอยากมันยังอยากจะได้คนที่เรารักกลับคืนมาอยู่มันไม่ต้องการคนอื่นคนอื่นไม่สำคัญสำคัญเพียงคนนี้คนเดียว แต่คนนี้ได้ตายจากเราไปแล้วแต่ใจมันยังไม่ยอมคิดถึงคนนี้ยังอยากอยู่กับคนนี้ยังอยากให้คนนี้กลับมาอยู่มันก็ทุกข์ใจมันไม่มีกจิตกจใจไปทําอะไรถึงแม้จะมีคนอื่นดีกว่านี้หลายเท่ามารออยู่ก็ไม่สนใจท่านั้นเตอนนั้นสนใจอยู่กับคนคนนี้คนเดียวความอยากไวล้ลามันอยากอะไรแล้วมัน เหมือนหมาบ้ามันจะกัดไม่ปล่อยมันจะอยากกับคนนี้อย่างเดียวสิ่งนี้สิ่งเดียวสูญเสียอะไรก็อยากจะได้อันนี้อันเดียวให้อันใหม่ดีกว่าเก่าก็ไม่เอาเพราะติดกับอันเก่าชอบอันเก่ามีความสุขกับอันเก่าถึงแม้จะมีคนหาอันใหม่มาให้ก็ไม่เอา นี่คือความอยากเวลามันอยากขึ้นมาแล้วมันจะต้องเอาให้ได้ในสิ่งที่มันอยากได้แล้วพอไม่ได้มันก็จะเศร้าจะซึมจะดหดเหงียไม่มีความสุขนเยคนที่สูญเสียสิ่งที่รักไปมากๆไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นอะไรเนี่ย ต่อให้มีอะไรมากมายที่ดีกว่าตอนนั้นก็ไม่มีความหมายเพราะตอนนั้นความอยากมันต้องการสิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมาท่นั้นเนี่ยตอนนั้นแหละถึงต้องไปเข้าวัดกันเพราะไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ความทุกข์นั้นหายหายไปได้ถึงแม้มีเงินทองมากมายกายกองเงินทองตอนนั้นก็ไม่สามารถตอบโจทย์ของใจได้ โกรธงใจตอนนั้นต้องการสิ่งที่สูญเสียไปกลับมาแต่มันไม่มีวันที่จะกลับมาแล้วเพราะมันไปแล้วเลยไม่รู้จะทำยังไงก็แล้วแต่มีใครแนะนำถ้าไปเจอคนที่เขาเคยเข้าวัดเขาก็จะแนะนำว่าให้ไปวัดกันถ้าไปเจอคนที่เขาไปเที่ยวเขาก็อาจจะแนะนำว่าไปเที่ยวไปเที่ยวไปรือไปอยู่ที่ ไปเปิดทูเปิดตาจะได้ไปลืมเรื่องเก่าๆที่กำลังหมกบุ้นคิดอยู่ก็แล้วแต่ว่าไปเจอใครแต่ถ้าเจอคนที่เข้าวัดนั่นแหละจะถือว่าโชคดีเพราะว่าจะได้เจอวิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกเหตุที่จะแก้ปัญหาได้อย่างถาวร แต่ถ้าไปแก้โดยวิธีอื่นแก้โดยวิธีไปเที่ยวแก้โดยวิธีไปดูหนังฟังเพลงแก้โดยวิธีไปจัดงานปาร์ตี้อะไรต่างๆมันไม่หายหรอกเดี๋ยวพอกลับมาอยู่คนเดียวก็เศร้าเหมือนเดิมคิดถึงคนที่เราอยากอยากได้กลับคืนมาอีกนั่นแหะถ้าได้มีโอกาสได้มาพบกับคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะได้มาเรียนรู้อริยสัจสี่กันแล้วจะได้สอนให้เรากลับเข้ามาดูในใจของเราให้เรามาดูอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจซึ่งตอนนี้มีแต่อริยสัจหนึ่งกับสองแสดงบทบาทอยู่คือตัณหากับความอยากความเศร้าเราตสิ่งที่เราขาดกันในใจของพวกเรา เวลาที่เรามีความทุกข์มีความเศร้าก็เราก็ขาดอริยสัจสี่ข้อที่สามข้อที่สี่คือไม่มีนิโรธการหายของความทุกข์ไม่มีมรรคเหตุที่จะทำให้ความทุกข์หายไปไม่มีมีแต่เหตุสองตัวคือความอยากที่เป็นตัวก่อเหตุให้สร้างให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจ ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้วิธีกำจัดความทุกข์เราก็จะได้รู้ว่าอตอนนี้เราขาดมรรคเราขาดนิโรธทุกข์เลยทุกข์คือความเศร้าโศกเสียใจยังไม่หายไปมันหายไปไม่ได้มันไม่หายถ้าเราไม่มีมรรคมาหยุดความอยาก ที่เป็นตัวผลิตความเศร้าโศกเสียใจอยู่เรื่อยๆพอเราได้มาเรียนรู้ว่าเราต้องมาสร้างมรรคเราก็มาศึกษาว่ามรรคมีอะไรบ้างศีลเอสมาธิปัญญาเอตอนนี้เรามีอะไรตอนนี้เรานั่งเฉยๆเราก็มีศีละอืวสมาธิถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังฟังอยู่นี้ก็แสดงว่าเรามีสมาธิแล้วอย่างถ้าเรามีศีลมีสมาธิแล้วเราได้เรียนรู้ว่าปัญญาคือการรู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์กันต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้คนนั้นคนนี้กลับคืนมา พอไม่ได้ก็เกิดความเศร้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะให้ความเศร้าความทุกข์นั้นหายไปก็ใช้ปัญญาก็ให้ดูสิ่งที่เราอยากคนที่เราอยากได้คืนมาว่าเขาเป็นอย่างไรเขากลับคืนมาได้หรือไม่เขาตายไปแล้วหรือเขาเลิกกับเราแล้วเขาโกรธเขาเกลียดเราเขาทิ้งเราไปแล้วเราจะให้เขากลับมาได้อย่างไร ต่อให้ไปกาบตีนเขาเขาก็ไม่กลับมาต่อให้เอาเงินทองไปล่อมากน้อยเพีงยงไรเขาก็ไม่เอาเราก็ต้องเห็นว่ามันไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะเอาเขาคืนมาได้เราก็ต้องยอมรับความจริงพอเรายอมรับความจริงเห็นความจริงว่าเขาไปไปแบบไม่กลับแล้วอย่าไปหวังว่าจะให้เขากลับมาอีกต่อไป เลิกหวังเสียเลือกอยากเสียเท่านั้นเองพอเราตัดใจได้ปัความเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียเขาไปมันก็จะหายไปนี่โรดอริยศาสตร์ข้อที่สามก็เกิดขึ้นมาเกิดจากอาริยศาสตร์ข้อที่สี่คือมรคคือมีดวงตาเห็นธรรมสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาใช่ไหม เวลาเขามาก็เหมือนเขาเกิดเวลาเขาไปก็เหมือนเขาดับแต่เวลาเขาตายจากเราไปเขาไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดามทุกคนเมื่อเกิดแล้วเดี๋ยวไม่ช้าเลวก็ต้องตายตายแล้วก็เอากลับคืนมาไม่ได้วิธีที่จะทำไม่ให้เราเศร้าโศกเสียใจก็หยุดความอยากมันเสีย พออยากก็ไม่ได้อยู่ดีอยากไปทำไมอยากไปแล้วก็ทำให้เศรา้าโศกเสียใจไปเปล่าๆก็เลยปปงได้ปอปงได้เพราะเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วดับถ้าไปอยากให้ไม่ดับก็จะทุกข์หรือดับแล้วถ้าอยากจะให้กลับมามันก็ไม่กลับมามันก็จะทำให้ใจทุกข์เพราะสิ่งที่เราไปอยากนั้นมันไม่เป็นอนัตตา มันเป็นสิ่งที่เราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันกลับคืนมาไม่ได้มันไปแล้วก็ต้องไปเลยพอเห็นตายรักเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปอยากก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์ถ้าอยากจะหายทุกข์ก็ตัดใจไปเสียไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้วะคนนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนอีกคนหนึ่งก็ได้มี มีคนเดียวที่ไหนในโลกนี้มีคนต้องเยอะแยะไปมีเป็นน้อยเป็นหมื่นเป็นแสนทำไมจะต้องมาอยากกับคนนี้คนเดียวเมื่ออยากกับคนนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนคนใหม่ก็หมดเรื่องไปคนที่เปลี่ยนได้นี้จะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่คนที่ยึดติดนี่จะทุกข์อันนี้แหละคืออริยสัจสี่ที่เราต้องเห็นในขณะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในใจเราตอนนี้ยังไม่ทุกข์ยังไม่มีความอยากกันแล้วก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นว่าความทุกข์เกิดจากอะไรแต่ถ้าเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าอในใจของเรานี่แหละเป็นโรงงานผลิตทุกข์ผู้ที่ผลิตทุกข์ก็คือความอยากเราก็เข้าไปค้นหาดูในใจเรา ตอนนี้เราทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์กับใครทุกข์เพราะเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราใช่ไหมเทุกข์เพราะเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเขาใช่ไหม sells? แล้วไม่ได้เราก็เลยทุกข์ใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงทำให้เขาให้เราหรือทำให้เราถ้าดูแล้วยังไงก็ไม่มีทางที่เ็าจะทำให้เราได้หรือให้กับเราในสิ่งที่เราต้องการได้ เราก็ต้องใช้ปัญญาแล้ยอมรับความจริงว่าเราสั่งเขาไม่ได้เมื่อสั่งเขาไม่ได้ก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาเสียก็หมดเรื่องอก็เปลี่ยนความอยากหยุดความอยากใชไหยุดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากเขาหยุดความอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้กับเราพ อ, า เ, อาเราหยุดปับ๊บเราก็หายทุกข์ขึ้นมาทันที พอเราเห็นนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นเขาเป็นอนัตตาเราสั่งเขาไม่ได้บางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้แต่ตอนนี้สั่งไม่ได้เพราะเขาเปลี่ยนไปเมื่อก่อนสั่งก็ได้สั่งให้เขาทานู่นทํานี่เขาก็ทําให้แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปเขาเป็นอนิจจังเขาไม่รับคําสั่งจากเราแล้ว เราสั่งเขาเขาก็ไม่ทําตามที่เราสั่งเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะเรายังอยากให้เขาทําตามคําสั่งของเราอยู่เราก็ต้องรีบเปลี่ยนใจเราต้องรู้ว่าอ้อตอนนี้สั่งเขาไม่ได้แล้วเ่าไปนี้อย่าไปสั่งเขาเหมือนเคยสั่งพิซซ่าจากร้านนี้เนี่ยตอนนี้ร้านนี้เขาปิดไปแล้วเนี่ยเราไปสั่งยังไงมันก็ไม่มาส่งพิซซ่าให้กับเราแล้วะ เราก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนร้านอ่ะถ้าสั่งร้านนี้ไม่ได้ก็ไปสั่งร้านอื่นต่อไปแต่ถ้าไม่อยากจะผิดหวังก็อย่าไปสั่งเลยดีกว่าเลิกสั่งดีกว่าเลิอกอยากกินพิซซ่าเสียก็หมดเรื่องพอไม่อยากกินพิซซ่าแล้วก็ไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องมาเสียใจเวลาสั่งแล้วไม่ได้กินเพราะบางทีร้านมันปิดเนี่ยอันนี้คือ ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรู้ส่งคนถ้าเราเข้าใจหลักของอริยสัจสีแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาของความทุกข์ต่างๆของเราได้เพราะเราจะไม่ไปแก้ปัญหาที่คนที่เราคิดว่าเป็นปัญหาเราจะไม่ไปเปลี่ยนเขาไปสั่งเขาใบบังคับเขาให้เขาทำตามความอยากให้กับเราเรามาเปลี่ยนความอยากของเราดีกว่า แต่เมื่ออยากให้ให้เขาทําอะไรให้เราไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนเสีย ก, ก็คืออยากไปอยากเสียหยุดความอยากเสียเท่านีงพอเราไม่อยากให้เขาทําอะไรให้เราแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเนี่ยเขาจะทําหรือไม่ทําก็ไม่เป็นปัญหากับเราใจเราไม่ทุกข์อีกแล้วนี่แหละถ้าเราเริมเห็นปัญหาว่าอยู่ที่ความอยากของเรา เราก็จะเริ่มเห็นโทษของความอยากว่าเพราะความทุกของเราทั้งหมดนี่มันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเนะมันอยู่ที่ความอยากของเราทั้งนั้นอยากได้สิ่งนั้นพอไม่ได้ก็ทุกอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเราพอเขาไม่อยู่กับเราก็ทุกอยากให้คนนั้นเขาดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราก็ทุกอยากให้คนนี้ที่เราไม่ชอบหายไปเขาไม่หายไปก็ทุก มันล้วนสรุปมาอยู่ที่ความอยากของเราทั้งนั้นความทุกข์ของเราแล้วการจะไปแก้ <c oughs> ก็ไม่ได้ไปแก้ที่คนนั้นคนนี้เพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้ถ้าเขาเดือจะทํำยังไงสั่งให้เขาไปเนี่ยคุณอย่าอยู่กับฉันเลยฉันเบื่อที่หน้าแต่เขาไม่ไปจะทํำยัำยงไงก็ต้องมาแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากที่อยากให้เขาไปอันนนเมื่อเขาไม่ไปก็ต้องเปลี่ยนใจ ก็อยากไปอยากให้เขาไปเพราะอยากไปเขาก็ไม่ไปแต่เราจะทุกข์ถ้าเราอยากให้เขาไปแล้วเขาไม่ไปเราจะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็เปลี่ยนใจเสียไม่อยู่ก็อยู่เราความอยากจะให้เขาไปก็ไม่ก็กก็็หยุดไปไปล่อยให้เขาอยู่ไปท่านั้นเองวิธีแก้ปัญหาต่างๆนี้ไม่ต้องไปแก้ที่ไหนมันอยู่ในใจของเรา ความไม่สบายใจต่างๆอยู่ที่ความอยากของเราอยู่ที่ว่าเรามีปัญญารู้ทันมนหรือไม่ส่วนใหญ่เราจะไม่เคยรู้ทันกันเวลาเกิดความทุกข์ใจแทนที่จะมาแก้ที่ความอยากของเรามักจะไปแก้ที่ข้างนอกแก้แก้ในสิ่งที่เราอยากได้กันแก้อย่างไงก็ไม่มีวันแก้ได้ถึงแม้แก้ได้เรื่องนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มาให้แก้ใหม่ แต่ถ้าแก้ทด้ความอยากแล้วต่อไปมันจะไม่มีความอยากกับอะไรกับใครเมื่อไม่มีความอยากกับอะไรกับใครมันก็ไม่มีความทุกข์ใจที่จะต้องมาแก้วิธีจะทำให้เราไม่มีความอยากเราก็ต้องหมั่นสอนใจอยู่ได้เรื่อยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราคิดว่ามันเป็นสุขเนี่ยมันไม่เป็นสุขหรอกมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรมาเพราะมันไม่เที่ยง มันสุขแลเดี๋ยวมันพลิกกลายเป็นทุกข์ได้มันสุขตอนที่มันเจริญแต่เวลามันเสื่อมมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมามันสุขตอนที่มันดีพอมันพลิกเป็นไม่ดีขึ้นมาความสุขก็หายไปความทุกข์ก็มันก็เข้ามาแทนที่ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันมันไม่ดีไปตลอดมันไม่เจริญไปตลอดมันต้องมีพลิกกลับมาจากเจริญกลายเป็นเสื่อม จากดีเป็นไม่ดีเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตา ม, มข้าวของเงินทองวันนี้มันดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ไม่ดีได้ไม่ดีตรงไหนมันเสื่อมไหมมันหมดไปไงพอเงินทองหมดไปดีไหม αι? ไม่ดีแล้วข้าวของต่างๆพอหายไปดีไหม αι? ไม่ดีแล้วพอมันเสียแล้วใช้ไม่ได้แล้วดีไหมไม่ดีแล้วอพอไม่ดีมันก็ทาให้เราทุกข์ขึ้นมาเพราะเราเคยอาศัยมัน ทำให้เรามีความสุขพอมันไม่สามารถทำให้เรามีความสุขได้เราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเห็นเราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพึ่งพาอาศัยให้ความสุขกับเราว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมันเป็นเหมือนงานเลี้ยงงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลง ไม่มีใครจัดงานเลี้ยงไปตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมไปงานเลี้ยงที่บ้านไหนเวลาไปใหม่ๆเขาก็ายินดีต้อนรับพอดึกดื่นขึ้นมาเข า, าก็บอกกลับบ้านได้แล้วจบแล้วถ้าอยากจะอยู่ต่อเขาก็ลำคาแล้วละเดี๋ยวเขาก็ต้องขับไล่สายส่งเราทุกสิ่งทุกอย่างมีวันสิ้นสุดลงความสุขในโลกนี้มันไม่ถาวรมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป แผนวิธีที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราก็คืออย่ายไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอรหันต์เนี่ยท่านก็เคยมีเหมือนพวกเราท่านก็เคยมีลูกมีสามีมีภรรยามีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองท่านก็เคยไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังเหมือนพวกเราอยู่ แต่ท่านฉลาดตรงที่ท่านเห็นว่ามันเสื่อมได้มันหมดได้ท่านก็เลยบอกไม่เอาดีกว่าหัดไปอยู่เฉยๆดีกว่าวิธีจะอยู่เฉยๆได้ก็ต้องหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยสติด้วยปัญญาเพราะความคิดความอยากอยู่ดีๆจะสั่งให้มันหยุดมันไม่หยุดต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาถึงจะสามารถหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆได้ พอหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆได้ใจก็จะเฉยจะสบายใจจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกไม่สบายใจใจจะรู้สึกสบายเบาอกเบาใจนี่คือผลที่เราได้รับจากการที่เรามาหยุดความคิดหยุดความอยากกันนะพอเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้ เราก็จะไม่มีความอยากมาผลิตความทุกข์ให้กับเราอีกต่อไปไม่มีความอยากที่จะมาฉุดให้เราไปมีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายอันใหม่เราก็จะไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตายอีกต่อไป <S <S <S และร่างกายที่เรามีอยู่นี้ถึงแม้ว่ามันจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็จะไม่มาทําให้ใจเราเดือดร้อน เราก็รับรู้ไปว่ามันเจ็บเป็นไข้มันก็ต้องเจ็บเป็นโรคมันก็ต้องเจ็บแต่ใจของผู้ที่ไม่มีความอยากนี้จะไม่เจ็บไปกับความเจ็บของร่างกายใจก็จะสุขเหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่เจ็บเหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่แก่เหมือนกับตอนที่ร่างกายตายใจจะไม่รู้สึกเดือดร้อนใจจะรู้สึกเฉยเฉยถ้าไม่มีความอยาก หยุดความอยากได้ด้ว ย, ด, วยด้วยสติด้วยปัญญาฉะนั้นตอนนี้เรายังหยุดไม่ได้สิ่งที่เราขาดก็คือมรรคมรรคก็เครืองมือที่จะมาหยุดความอยากคือสติและปัญญาการจะมีสติมีปัญญาได้เราก็ต้องมีเวลามาสร้างสติมาสร้างปัญญาการจะมีเวลาได้เราก็ต้องมีศีลเป็นตัวดึงใจดึง ตัวเราให้มามีเวลาว่างพราพอเรามาถือศีลแล้วเราก็จะไปทําอะไรต่างๆเหมือนตอนที่เราไม่ถือศีลไม่ได้ศีลนี้หมายถึงศีลแปดขึ้นไปนะศีลห้านี้ยังอนุญาตให้เราไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปหาความสุขต่างๆได้อยู่แต่พอเรามาถือศีลแปดปับ๊บเนี่มันห้ามห้ามเราทันทีห้ามไม่ให้เราไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆ มันก็เลยทำให้เรามีเวลาว่างมีเวลาว่างที่จะมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากัน mm hmm. พอเรามีเวลาว่างจากการมีสี่งถ้าเราขยันไม่ขี้เกียจตั้งใจสร้างจริงๆพระพุทธเจ้าบอกไม่ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีก็สามารถที่จะสร้างมรรคให้สมบูรณ์ขึ้นมาได้สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญา ให้เต็มร้อยขึ้นมาได้เมื่อเรามีสติสมาธิปัญญาเต็มร้อยแล้วเราก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ทำให้ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราหายไปหมดทำให้เราอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้มีความสุขมากกว่าความสุขของมหาเศรษฐีของพระราชามหากษัตริย์อีก ความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยรีว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เกิดจากความสงบก็คือความสุขความสงบที่เกิดจากการระงับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆด้วยสติด้วยปัญญานี่เองด้วยไตรักด้วยอริยสัจสีนี่แหละคือเรื่องของการแก้ปัญหาของความทุกข์ที่ถูกต้อง ต้องแก้าแบบที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้แก้เธอต้องมาแก้ด้วยการทำลายความอยากหยุดความอยากทั้งสามที่คอยผลักดันให้เรานี้ต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเราต้องมีร่างกายในการที่จะหาความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆแต่พอเรารู้ว่าการทำตามความอยากมันเป็นการพาให้เราต้องไปทุกข์อยู่เรื่อยๆ เราก็ต้องหยุดความอยากและการจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมีศีลสมาธิและปัญญา<ม>เราจึงต้องมาสร้างศีลสมาธิปัญญากัน<ม>ถ้าเราสร้างศีลสมาธิปัญญาได้ครบร้อยเต็มร้อยศีล<ม>ก็รักษาได้ตลอดเวลาทําให้เรามีเวลาว่างที่จะมาสร้างสมาธิให้เต็มร้อยได้ตลอดเวลาให้จิตเป็นอุเบกขาได้ตลอดเวลา แล้วก็สอนปัญญาให้กับใจให้เห็นไตรลักษณ์ได้ตลอดเวลาให้เห็นอริยสัจสี่ได้ตลอดเวลารับรองได้ว่าความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจนี้มันจะหายไปหมดแล้วมันจะไม่มีวันกลับคืนมาอีกต่อไปพอความอยากทั้งหลายหายไปความทุกข์ทั้งหลายก็หายไปหมดหายไปตั้งแต่ร่างกายยังไม่ตายยังไม่แก่ยังไม่เจ็บ เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่ทุกข์กับมันแล้วหลังจากที่มันตายแล้วก็จะไม่กลับไปหาร่างกายอันใหม่อีกต่อไปจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดทุกข์ก็ย่อมไม่มีอีกต่อไปเพราะทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้น นี่คือเรื่องของการกำจัดความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ท่งปฏิบัติมาและได้ทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธเรามาปฏิบัติกันก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อยาขออนุโมทนาให้พอรอนยะถ า, าวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสากลัง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 ภราสยธาสพิติยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินาศตุมัเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ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 ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยแต่หลังจากที่เลิกแล้วต้องขออนุญาตงดถามเพราะว่าไม่สะดวกแล้วเพราะตอนนั้นจะไม่สงบเพราะจงมีการเคลื่อนไหวมีการกระทาอะไรต่างๆกันตอนนั้นคุยกันไม่เคยรู้เรื่องเห็นได้อยากจะคุยจะถามอะไรช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดเพราะทุกคนอยู่ในความสงบไม่มีการเคลื่อนไหว ถ้าไม่อยากจะถามเองก็ขอเชิญเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามมีเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e b o o k เข้ามา710 u t u b บ383วิทยุออนไลน์12รับฟังข้างบนนี้56คนรวมทั้งหมด 1,161 ครับวันนี้เ c e b o o k ขึ้นมากนฮะ710ซึ่ง นิ New High วไฮวะคเป็นนิวหฮฮมัได้เก็บสถิติไว้แต่น า, นานจะขึ้นเจ็ดร้อยละครถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากทางอินบอ์คุณนภาครับนอกจาก สินห้าและสินแปดที่ปุถุชนค า, ารวาสอุบาสกอุบาสิกาสามารถถือได้แล้วสินบางข้อในสินสองรอยี่สิเจ็ดสามารถ ถือได้ไหมครับหรือศีล227ข้อถือได้เฉพาะพระขออนุญาตพระอาจารย์ชี้แนวทางด้วยครับไม่ห้ามหรอกใครอยากจะถือก็ถือได้ใครจะเอาไปใช้ในองค์กรเพราะว่ามันเป็นกฎระเบียบมากกว่าศีลจริงๆก็มีแค่ศีลของพระก็ศีลห้านี่แหละก็ ค, คือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพไมุ่นไม่ล่วไม่เสพกาม ที่เป็นศีลเหมือนกับของคาราะนอกนั้นมันเป็นเรื่องของความเรียบร้อยสวยงามของพระสงฆ์องค์เจ้าว่าควรจะพูดอย่างไงควรจะเดินอย่างไรควรจะกินอย่างไรควรจะนอนอย่างไรควรจะใช้ข้าวของอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของกฎระเบียบขององค์กร <laughs> เพื่อที่จะรักษาองค์กรให้เป็นองค์กรที่หน้าเขาลบเรื่มใส เหมทุกองค์กรนะมีกฎระเบียบใช่ไหมเป็นทหารเขาก็มีกฎของเขาเป็นตำรวจก็มีกฎของเขาไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนเขาก็มีกฎต่างๆกฎมีไว้เพื่อรักษาวความอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขของผู้ที่อยู่ในองค์กรนั้นและเป็นการส่งเสริมศรัทธานในผู้ที่อ อยู่ข้างนอกให้เขาเห็นว่าเป็นองค์กรที่สาง่างามที่มีคุณมีประโยชน์อะไรทำนองนี้สินส่วนใหญ่เป็นเรื่องของระเบียบบางทีพระยืนฉี่ชาวบ้านเห็นว่าไม่สวยงามก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่ากันตอบวันนี้พระห้ามยืนฉี่ให้นั่งฉี่เท่นั้นเอง กินก็เหมือนกันกินก็ห้ามยืนกินเดินกินเวลาจะกินต้องนั่งให้เรียบร้อยอแล้วเวลากินก็ไม่ให้ส่งเสียงไม่ให้คุยกันให้แล้วก็ไม่ให้ส่งเสียงดังเวลาเคี้ยวอาหารไม่ให้กินแบบจุบ๊บจุบจับจับเคี้ยวเคี้ยวกรอบกรอบอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นพระต้องสำรวมต้องมีกิริยามารยาทที่น่าเคารพเรื่มใสเอ แต่ถ้าคารวาสอยากจะเอาไปใช้ก็ได้ดีเสียใช้ได้เผื่อเวลาจะบวชก็จะได้บวชได้ง่ายไม่ต้องมาฝึกใหม่ซ้อมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนคำถามจากคุณสดายุทธศรัทธานี้ถือว่าเป็นบุญหรือไม่ครับผมรู้ว่าบุญคือ ทานศีลภาวนาแล้วศรัทธานี้เป็นบุญหรือไม่ครับและเป็นบุญประเภทไหนครับอ๋อเป็นเครื่องสร้างบุญต้องมีศรัทธาเป็นเครื่องมือพอมีศรัทธาในในการทําบุญทําทานเราก็จะได้ทําบุญทําทานมีศรัทธาในการรักษาศีลเราก็จะได้รักษาศีลกันก็จะเกิดบุญขึ้นมาคือความสุขใจบุญแปลว่าความสุขใจแต่การจะทําบุญได้ ต้องมีศรัทธาความเชื่อในบุญก่อนว่าบุญนี้มีจริงทำแล้วได้จริงได้บุญจริงก็จะทาทาแล้วก็จะได้ผลคือบุญก็จะปรากฏขึ้นในใจต่อไปคาถามจากคุณอรวรรธพระโพธิสัตว์ถือว่าเป็นพระอริยบุคคลขั้นไหนครับและพระโพธิสัตว์นั้นคือผู้ที่จะกลับมาเกิด เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวใช่ไหมครับคือคำว่าพระโพธิสัตว์นี่เขาหมายถึงบุคคลที่เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลยังไม่ได้เป็นพระโสดาบานันเป็นพระอนาณาอ า, นะอาหันเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้แล้วถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่งนี้เกิดมีศรัทธา ในการสะสมคุณงามความดีต่างๆโดยที่ไม่คิดถึงประโยชน์สุขของตนคิดถึงประโยชน์สุขของการทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเช่นในหลวงของเราเก้าของเราเนี่ยก็มีคนคิดว่าท่านอยู่ในอยู่ในคำนิยามว่าของพระโพธิสัตว์ แต่ท่านอาจจะไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์อย่างเดียวท่านอาจจะเป็นพระอริยบุคคลด้วยก็ได้เพราะว่าท่านมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแล้วท่านได้ยินได้ศึกษาพราะธรรมคําสั่งคําสอนท่านอาจจะปฏิบัติ บ, ตบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ได้ถ้าในากรณีนั้นท่านก็จะไม่เป็นพระโพธิสัตว์อีกต่อไปเพราะว่าคําว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่แสวงหาการ หาความรู้จากการตัดสรุของตนเองเพราะว่าเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนการจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ลงกับคำนิยามจริงๆนี่ต้องเป็นผู้ที่มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นภาษาว ก, กันเพราะว่าเป้าหมายอันเดียวกัน เป้าหมายก็คือการหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันพระโพธิสัตว์นี่ก็เห็นว่าการเกิดก่เจ็บตายนี้มันน่าเบื่อเป็นทุกข์ก็อยากจะหลุดออกแต่ไม่รู้จักทางหลุดออกว่าไปทางไหนรู้เพียงแต่เข้าๆว่าทำความดีทางคือการทำความดีต่างๆเช่นมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำบุญทำทานแบ่งปันมีศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีใจที่สงบเป็นอุเบกขาไม่เสพกามานี่เป็นต้นอันนี้เป็นความคิดของผู้ที่ยังไม่ได้พบทางสู่การหลุดพ้นก็จะคิดว่านี่คือวิธีที่จะทำให้ใจมีความสุขมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็จะทำให้หลุดพ้นต่อไปได้ แต่ยังไม่ได้ครบทุกอย่างยังไม่มีปัญญายังไม่เห็นอริยสัจสี่ยังไม่เห็นไตรลักตัวที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่มีไตรลักไม่มีอริยสัจสี่มาสอนก็ต้องค้นหาด้วยตนเองอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา เวลาออกบวชก็ต้องบําเพ็ญบารมีต่างๆตามตามที่เคยได้บําเพ็ญมาในอดีตชาติเคยได้บําเพ็ญทานบารมีเมตตาบารมีศีลบารมีอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถานี่แหละคือพระโพธิสัตว์ตัวอย่างของพระโพธิสัตว์แล้วก็ไม่มีพระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์ในยุคที่ท่านออกบวชท่านก็เลยต้อง ค้นหาทางด้วยตนเองจนในที่สุดก็ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่พอตัดสรลุปเป็นพระพุทธเจ้าเหล่าบรรดาสาวกทั้งหลายที่เคยบำเพ็ญเหมือนพระพุทธเจ้าเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพวกนี้เขาก็เคยบำเพ็ญเหมือนกับพระพุทธเจ้ามาเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์แต่เมื่อเข้ามาเจอพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เลยไม่ต้องไปเสียเวลาไปคำทางหาด้วยตนเองเพราะมีคนบอกทางแล้ว เขาก็เลยเอาคําสอนของพระุทธเจ้ามาปฏิบัติเขาก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับพระพุทธเจา้าโดยที่ไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยเหมือนกับพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้านี้ต้องไปเหน็ดเหนื่อยไปค้นหาทางด้วยตนเองถ้าพูดเปรียบเทียบก็เหมือนต้องไปสร้างทางเองสมัยก่อนไม่มีทางจากกรุงเทพมาพัทยานี้เวลาจะมาก็ต้องมาทางอื่นมาทางเรือมาทางอะไรแต่พอมีคนสร้างถนนแลทีนี้ คนอื่นก็สบายแหละพระพุทธเจ้าก็เป็นคนสร้างทางสู่พระนิพพานพอมีทางสู่พระนิพพานแล้วพวกที่จะไปนิพพานก็ไม่ต้องไปสร้างให้เสียเวลาเองก็เอาเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทำไว้นั่นเองก็เลยไม่ต้องเป็นพโพธิสัตว์เป็นจากพระโพธิสัตว์มาเป็นพระสาวกเป็นพระอรหันตสาวก เช่นในหลวงรอเก้าวขอไปถ้าไปกล่าวถึงท่านแต่ท่านก็บำเพ็ญบารมีต่างๆตามที่เราเห็นกันท่านก็มีเมตตาบารมีท่านก็มีทานบารมีมีศีลบารมีท่านบำเพ็ญเหมือนกับพระโพธิสัตว์แต่ท่านมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาท่านก็เลยไม่ต้องไปค้นหาปัญญาด้วยตนเองไม่ต้องไปค้นหาอริยสัจสี่ไม่ต้องไปค้นหาตายรักณ์ด้วยตนเอง ก็มีคนมาบอกแล้วว่านี่คือทางสู่นิพพานต้องเห็นไตลักษ์ต้องเห็นอริยสัจสี่ท่านก็เลยมึ่งไปศึกษาอริยสัจสี่ไตลักษ์อากพระ อ, อรหันตสาวกท่านไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นทางนั้นแล้วส่วนใหญ่ทุกรูปที่ท่านไปกราบนี่ก็เป็นพระ อ, อรหันต์กันทางนั้นเหตนั้นก็คิดได้ว่าท่านก็อาจจะเป็นพระ อ, อริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วก็ได้ สายที่ท่านอาจจะยังไม่ได้ขั้นสูงสุดก็เพราะท่านยังมีภารกิจทางโลกอยู่ท่านยังต้องดูแลประเทศบ้านเมืองอยู่เหมือนกับที่เคยเล่าให้ฟังว่าท่านเคยยุคที่มีการมาพัฒนา บ, บ, บนเขาเชียวนี้ยุคแรกๆเนี่ยสมเด็จพระยานสังวรท่านก็มาบำเพ็ญมีกุติมาพักอยู่แล้วในหลวงท่านก็มามาม า, มาเฝ้ามา มาพบมาสนทนาธรรมด้วยท่านก็เคยปาลบว่าบนเขานี้เป็นหน้าเป็นสถานที่สงบเหมาะต่อการบําเพ็ญอย่างยิ่งถ้าท่านมีโอกาสท่านอยากจะสละราชสมบัติแล้วเพิ่อมาบําเพ็ญอยู่บนเขานี้เนี่ยท่านเคยปาลบกับสมเด็จพระสังฆราชอย่างนั้นตามที่เขาเล่ามาให้ฟังถ้าผิดถูกอย่างไรก็อย่าว่าเราเนะี่ยเพราะเราก็ได้ยินตามที่เขาพูดมาแต่เนื่องจากว่า บ้านเมืองบอ่ามีปัญหาไม่สงบอยู่เรื่อยๆท่านก็รู้ว่าบ้านเมืองนี้ต้องอาศัยบารมีของท่านในการที่จะคุ้มครองให้บ้านเมืองอยู่กันเป็นปกติสุขไม่นองเลือดพูดง่ายๆเพราะถ้าท่านพูดคําเดียวทุกอย่างทุกคนก็หยุดท่านก็เลยไม่สามารถที่จะจละราชสมบัติมาออกบวชได้ท่านก็เลยอาจจะบรรลุ ข, ขั้นใดขั้นหนึ่ง แต่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดเนี่ยนี่ก็เป็นการคาดคะเนนะครับเป็นการที่ในวงการนักปฏิบัติเขาพูดกล่าวถึงกันก็ขอให้ฟังหูไว้หูก็แล้วกันอย่าถือว่าเป็นความจริงร้อยเปอร์เ็นต์ส่วนไหนจริงก็เป็นจริงส่วนไหนที่เป็นการคาดคะเนก็ขอให้ถือว่าเป็นการคาดคะเนไปคําถามจากคุณวิโรธ การได้รูปฌปานนั้นขึ้นอยู่กับการนั่งสมาธิเท่านั้นใช่ไหมครับหรือไม่นั่งสมาธิก็สามารถเข้ารูปฌปานได้ครับ๋ อ, อไม่ได้หละมันต้องนั่งเพราะการจะเข้าฌานนี้ร่างกายต้องอยู่เฉยๆถ้าร่างกายเคลื่อนไหวนี้จิตมันยังต้องทำงานอยู่ยังอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่มีใครเข้าฌานด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่เดินจงกรมนี่บรรลุธรรได้ ด้ว ย, ด, วยด้วยปัญญาเพราะการเจริญปัญญานี่ไม่ต้องอยู่เฉยๆต้องใช้ความคิดการพิจารณาเห็นตายรักและปล่อยวางได้ปล่อยวางตันหาความอยากได้ พอปล่อยฮะปล่อยวางได้จิตก็บรรลุทําได้ในขณะที่เดินจงกรมหรือทําอะไรต่างๆเช่นการบรรลุเป็นบ้าหลานแต่ละรูปนี้ไม่เหมือนกันบางคนก็บรรลุขณะที่เดินบางคนก็บรรลุขณะที่จะนอนหรืออยู่ระหว่างจะนอนแจะว่าอยู่ในท่านอนก็ไม่ใช่จะอยู่ว่าอยู่ในท่านั่งก็ไม่เชิงเช่นพระพระอา น, นุนี่ท่านก็บรบรลุในช่วงที่กําลังจะไปนอนจะเอ็นหนังลงนอน จิตก็บรรลุขึ้นมาทันทีเพราะท่านมีปัญญาปล่อยวางพอปล่อยวางได้ขั้นจิตขั้นสุดท้ายพอปล่อยวางกิเลสตัวสุดท้ายได้จิตท่านก็บรรลุขึ้นมานการบรรลุ ธ, ธรรมนี้ไม่จําเป็นจะต้องนั่งสมาธิบางคนก็นั่งสมาธิพระพุทธเจ้านั่งในในในสมาธิตัดสัรู้ในในท่านั่งสมาธิได้โคนต้นโพ แต่คนอื่นไม่จาเป็นต้องอยู่ในท่านั้นครับบางคนก็อยู่ในท่าสมาธิก็มีบางคนก็อยู่ในท่าเดินท่ายืนบางคนก็อยู่ในท่าถูกอยู่อยู่ในปากเสือกำลังจะถูกเสือกัดตายพระพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าก็บรรลุอยู่ในเตียงนอนเพราะไม่สบายใกล้จะตายเราะนั้นการเจริญปัญญาุปัญญาเพื่อบรรยุธรรมนี้ไม่จาเป็นต้องอยู่ในท่านาง แต่ถ้ายาะกะเข้าฌานนี้ต้องอยู่ในท่านั้น <c oughs> คำถามจะคุณพิริตาทุกของความอยากยากที่จะทำให้หายได้ต้องมีสติตามรู้ทันความอยากเท่านั้นอันนี้ถือว่าเป็นมาร์ก <c oughs> ไมครับใช่ต้องมีสติและปัญญา <c oughs> สติเป็นตัวหยุดปัญญาเป็นตัวสอนให้หยุดว่าอย่าไปอยาก <c oughs> <c oughs> ให้สอนว่าตอนนี้ทุกเพราะความอยาก แต่จะหยุดความอยากได้ต้องมีสติมีทาจิตให้เป็นอุเบกขาทำจิตให้นิ่งได้ถึงจะหยุดความอยากได้ตอนนี้พวกเรามีปัญญารู้ว่าความอยากเป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์กันแต่เราไม่มีสติหยุดหยุดใจทำใจให้มันนิ่งเป็นอุเบกขารู้ว่าอยากไม่ดีก็ยังอยากกันอยู่นั่นะรู้ว่ากินไม่ดีกินแล้วเป็นตุ่มก็ยังกินอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าไม่มีสติที่จะหยุด หยุดความอยากกินมีปัญญาที่บอกว่ากินไม่ดีแต่ไม่สามารถทําตามที่ปัญญาบอกได้เพราะไม่มีสติฉะนั้นต้องมาฝึกสติกันให้มากมากก่อนตอนนี้เรามีปัญญาล้นตลาดแล้วมีฟังฟังเทศฟังธรรมแทบหูจะแตกหูจะฉีกแล้วแต่สิ่งที่ไม่มีคือสติที่จะมาหยุดความอยากไม่มี ยราต้องมาสร้างสติให้หยุดความอยากแล้วใช้ปัญญาสอนว่าทำไมถึงไม่ควรทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากพาไปสู่ความเป็นตุ่มเองใช่ไหมคนที่อยากจะลดน้ำหนักตัง้งเพอเห็นด้วยปัญญาต่อไปก็ไม่กินได้เพราะเห็นว่ากินแล้วต้องเป็นตุ่มเมื่มอยังอยากต้องการให้เป็นขวดอยู่ก็ต้องอย่าไปกิน <c oughs> คำถามจากคุณไอซ์เบอรี่เกี่ยวกับความอยากในเรื่องการกินครับ mm hmm. ทั้งทั้งที่ไม่หิวส่วนใหญ่จะ ก, กำหนดรู้ได้ว่าอยากกินแล้วก็พิจารณาถึงนิโรธตั้งแต่จาโคปฏินิสกโคมุติอนาลโยแต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยิ่งกำหนดรู้ยิ่งทำให้อยากกิน สุดท้ายก็ต้องปั่นจักรยานออกไปซื้อทุกๆทีทั้ทงท้ ง, งที่บางทีก็ดึกแล้วหนูก็ยังออกจากบ้านไปซื้อขอพวมเมตตาพระอาจารย์สอนเรื่องนี้ด้วยครับอ๋อหนูอย่าไปท่องคําว่าจโจรภาษาบาลีท่องแล้วก็ไม่รู้ความหมายความจริงท่านต้องการให้เราดูปฏิกูลของอาหารเวลาที่เราอยากกินอาหารนี่อย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานที่ออกมาจะตั้งไว้บนโต๊ะอยู่บนจานนี่เห็นควันลอยขึ้นมานะ หิวอดไม่ได้ต้องดูตอนที่มันอยู่ในปากตอนที่เราเคี้ยวมันบดแล้วก็ผสมกับน้ําลายเราโอ้ตอนนั้นอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมตอนที่อยู่ในปาก así, นี้ยั้นควรจะคลายมันออกมาดูหน้าดูตามนหน่อยโอ้ยมันอร่อยหน้าตามันเป็นยังไงลองคลายมันออกมาแล้วตักเข้าไปกินใหม่ดูเลย ต้องดูตอนนั้นอย่าไปดูตอนที่มันอยู่ในจานท่านบอกให้พิจารณาปฏิกูลหรือความน่าเกลียดน่าขยะแขยงของอาหารอาหารมันจะขยะแขยงก็ตอนที่มันเข้าไปในร่างกายเรานี่แหละ ตอนที่อยู่ในปากตอนที่อยู่ในท้องตอนที่อยู่ในลำไส้เห็นไหมตอนที่ถ่ายออกมาเนี่ยเนมือนถ้าเป็นอาหารทั้งนั้นอะ่ะอาหารที่เราน้ําลายไหลกันเนี่ยแต่เราไม่เรามันไหลเพราะตอนที่มันอยู่ในจานแต่พอเรานั่งคิดถึงพิซซ่าโอ้โมันไหลน้ําตาน้ําลายไหลออกมาเลยแ ต, แต่พอคิดว่ามันเป็นขี้ออกมามันไม่ไหลละมันหยุดไหลทันทีเลยนะ ต, ต้องพยายามคิดถึงอุจจาระบ่อยๆ เราอุจจาระก็คืออาหารที่เราอยากที่เราอยากกินกันนั่นเองพอกินเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็แปลงเป็นอุจจาระในที่สุดเนี่ยต้องกล้าคิดอย่างนี้มันถึงจะเอาชนะความหิวและความอยากได้ไม่ใช่ความหิวความหิวร่างกายให้มันกินได้ถึงเวลาร่างกายถึงเวลาให้มันกินแต่กินเท่าที่มันต้องการอย่าไปกินตามความอยากจนทั้งบังคับให้มันกลายเป็นตุ่มไปถ้าเราพิจารณาถึงปฏิกูลอยู่เรื่อยๆ ความอยากกินนี่จะลดน้อยลงไปทุกครั้งพออยากกินอะไรคิดถึงปฏิกูลของอาหารมันหายเลยไม่เชื่อลองทำดูถ้ายังยังไม่หายต้องไปดูของจริงเวลาถ่ายออกมาอย่าเพิ่งไปชักโครกต้องพิจารณามันสักนาทีหนึ่งก่อนอ๋อนี่เหรอพิซซ่าเปอย่านี้เอก์ดอนเนเป็นอย่างนี้เองเหออออนนรเ อ, อ, ห, อหูปลาฉลามเป็นอย่างนี้เองเหรอ หอาหารวิเศษต่างๆเป็นอย่างนี้เองเลยดูหน้าดูตามันตอนที่มันอยู่ในอยู่ในชักโครกดูว่าเป็นยังไงแล้วนึกถึงภาพเหล่านั้นให้มันติดตาติดใจไว้แล้วต่อไปเวลาอยากจะกินปับ๊บนึงเอาภาพนั้นออกมาเลยนึกถึงมันเลยรับรองได้ว่าหายอยากกินเลยบางทีมากเกินไปจะ ก, กินไม่ลงต่อไปบางคนนี้พิจณ า, ามากเกินไปจนกระทั่งถึงเวลากินกินไม่ลง ถึงเวลาต้องกินเพราะร่างกายต้องการอาหารกินเพื่อร่างกายกับกินไม่ลงใช่ไหมเพราะยังติดอยู่กับภาพที่ไปนึกถึงอยู่เรื่อยๆตอนนั้นก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันละอย่าไปคิดถึงภาพนั้นหรือใช้ปัญญาพิจารณาว่าอาหารก็เป็นเพียงธาตุเราเติมธาตุเติมน้ําติมดินตอนลมเติมไฟให้กับร่างกายร่างกายก็เป็นธาตุที่มันต้องการเติมธาตุของมัน ร่างกายต้องการธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่มากับอาหารอพอมองว่าเป็นธาตุก็กลับมากินได้แต่พอมองว่ามันเป็นอุจจระมันก็กินไม่ลงนักปฏิบัติบางทีปฏิบัติแล้วมันชอบสุดโตง่งนะ พอพิจารณาอุจจาระที่ได้ได้ผลดีก็จะพิจารณาอย่างนั้นไปพิจารณายัางกระทั่งขอมสู้กินข้าวไม่ลงไม่กินข้าวไม่ได้เหมือนจะตายเอาอยานี่ก็ต้องหยุดแล้วต้องต้องเปลี่ยนวิธีพิจารณาอาหารพิจารณาว่าเป็นเป็นการเติมธาตุดดินน้ำลมไฟให้กับร่างกายที่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันก็เลยกลับมากินได้แต่ถ้าพอมันโลภอยากจะกินตอนที่ไม่ถึงเวลากินก็ต้องกลับไปคิดว่ามันเป็นปฏิกูลุนใหม่ แต่ถ้ามันถึงขั้นละดับนะั้นแล้วคิดว่ามันคงจะไม่ลืมเรื่องปฏิกูลนะพอมันอยากกินเมื่อไหร่มันยังไม่ถึงเวลากินนี่มันจะปฏิกูลมันจะมาทันทีเลยไม่ต้องไปขี่จักรยานไม่ต้องไปฟิตเนสไปเสียเงินไปออกกำลังกายเดี๋ยวเหนื่อยก็กลับมากินใหม่ใช่หไหมโอ้ยวิ่งสิบกิโลเหนื่อยแล้วหิวแล้วต้องกลับมากินนี่ต้องไปวิ่งมันทำไม วิ่งไปน้ําหนักลดไปเดี๋ยวก็กลับมากินเพิ่มกลับมาเหมือนเดิมใช้ปฏิกรูนเอาดีกว่าพิจารณาปฏิกูลของอาหารแล้วมันจะไม่หิวจะไม่อยากจะไม่ทรมานเพราะมันมันช่วยลดความหิวได้ถ้ามันไปคิดอย่างอื่นมันลดไม่ได้พอยิ่งหิวยิ่งทรมานใจยิ่งอยากยิ่งทรมานใจแต่พอเห็นเป็นปฏิกูลแล้วมันไม่อยากแล้วมันไม่ได้กินมันจะไม่รู้สึกทรมานใจ คำถามจากคุณกัลยาธิดาภาวนาอานาปานาสติโดยดูลมที่ผ่านขึ้นลงข้างในแถวหน้าอกเพราะชัดที่สุดครับดูได้สักพักลมจางหายไปแต่รู้ว่าหัวใจที่เต้นดังชัดตลอดเวลาแทนและรู้สึกตึบๆที่ปลายนิ้วด้วยตลอดครับ กลาบถามว่าควรดูอะไรเป็นวิหารธรรมต่อไปครับควรดูความคิดด้วยดีกว่าถ้าลมหายไปแล้วจิตก็ละเอียดพอที่จะเห็นความคิดแล้วถ้าไม่เห็นลมก็ดูความคิดว่าคิดหรือเปล่าคิดก็หยุดมันอย่าให้มันคิดถ้ามีสติพอรู้จะคิดปั๊บพอรู้มันคิดปั๊บพอมีสติปั๊บมันก็หยุดคิดทันทีอย่าปล่อยให้มันคิด คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อเราปฏิบัติถึงการวางจิตผู้รู้ได้แล้วยังมีจิตอื่นที่ยิ่งกว่านี้อีกไหมครับเราไม่ได้วางจิตหรอกเราวางกิเลสเราวางเราวางความอยากเราหยุดความอยากเราปล่อยวางทุกสิ่งที่จิตไปยึดไปติดจิตเราไม่ต้องไปวางมันหรอกจิตไม่มีเราต้อง ให้จิตวางสิ่งที่จิตไปถือไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราให้หมดให้จิตวางว่าไม่มีอะไรเป็นของเราทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่เป็นของเราใครอยากจะได้เอาไปก็เอาไปถ้าเขาเก่งจริงมีความสามารถเอาไปได้ก็ให้ก็เอาไปลูกเราสามีเราภรรยาเราใครอยากจะได้ถ้าเขาเก่งจริงก็เอาไปได้ก็ให้ก็เอาไปเราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่เดือดร้อน นี่คือการปล่อยวางของจิตไม่ใช่ปล่อยไม่ใช่ปล่อยวางจิตให้ปล่อยวางสิ่งที่จิตไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นของเราให้ใช้ปัญญาคือว่าไม่มีอะไรเป็นของเราความจริงไม่มีอะไรเป็นของเราของที่เป็นของเราเป็นของสมมุติชั่วคราวเป็นของเราชั่วคราวคำถามจากผู้ฝากถามครับพระที่ตำหนิบุพการีจนร้องไห้มีความผิดศีลไหมครับ ไม่ทราบว่าตำหนิแบบไห น, นถ้าตำหนิแบบสั่งสอนนี่ไม่ผิดนะพระมีสิทธิ์ที่จะสอนพ่อแม่ได้ถ้าพ่อแม่ทำผิดนีควรจะเตือนคนจะสอนสอนได้เพราะพระเป็นถือว่าเป็นเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าไม่ได้สอนด้วยอัคติคือความโกรธความชังความเกลียดสอนด้วยความเมตตานี่สอนได้ ถ้าแม่ทำผิดเนี่ยโลกสอถ้าเป็นพระนี่สอนได้พระพุทธเจ้าไปสอนแม่ในสวรรค์เห็นมสอนพุทธมารดาว่าแม่กำลังหลงผิดนะแม่กำลังคิดว่ามขันห้าเป็นตัวของแม่ขันห้านี่ไม่ใช่เป็นตัวของแม่เึ่งตอนนั้นก็มีขันห้าแบบละเอียดเนี่ยอันนี้สอนได้แต่ตำหนิได้แต่แต่ต้องมีเหตุมีผล ไม่ได้สอนหรือว่ากล่าวด้วยความโกรธด้วยอคตินี้ไม่ถูกไม่ควรคําถามจากคุณมนวันนี้ผมเป็นเด็กนักเรียนจอดรถข้างทางจึงถามเด็กเด็กบอกว่าทําตังค์หายห้าร้อยบาทผมได้ผมได้ให้เงินเด็กไปห้ารอยบาทครับการกระทํานี้ถือว่าเป็นการเจริญมรรคไหมครับจะได้บุญไหมครับก็เป็นการ จเจริญมรกในขั้นต้นคือทานเพราะก่อนที่เราจะไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมได้เราต้องเลิกใช้เงินใช้ทองไปเที่ยวกันเอาเงินทองที่ไปจะไปเที่ยวนี้ไปใช้ในการทำบุญทำทานแทนต่อไปความอยากไปเที่ยวมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีความอยากไปเที่ยวเราก็จะได้มีเวลาไปวัดไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมได้ คำถามจากทาง INBOX ครับคุณทิพย์ทำสมาธิจเจริญสติมาสักพักใหญ่ๆแล้วการจเจริญสติคือพยายามทำตลอดในชีวิตประจำวันทั้งเวลาทำงานและทำกิจกรรมอื่นๆครับแต่ช่วงนี้มีความรู้สึกว่าพอเวลานอนเหมือนนอนไม่หลับเพราะเห็นความคิดตัวเองตลอด จนกระทั่งตื่นอยากสอบถามพระอาจารย์แบบนี้คือเราเห็นความฟุ้งซ่านของจิตปรุงแต่งใช่ไหมครับแล้วเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับออไม่ใช่หรอกเราไม่มีสติหยุดความคิดฟุ้งซ่านของเราการเจริญสติของเราแสดงว่าไม่ใช่ทางที่ถูกจะไม่ใช่เป็นสัมมาสติเพราะการเจริญสติที่ถูกต้องต้องคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดคือกันกอง คิดในเฉพาะในเรื่องที่ต้องคิดเท่านั้นเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดต้องตัดมันไปให้ได้เรื่องเพ้อเจ้อต่างๆเพ้อฝันต่างๆเรื่องตำหนิติเตียนขรหานินทาคนนั้นคนนี้วิพากวิจารณ์สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคอยตัดมันใช้แต่ความคิดกับเรื่องการงานที่จําเป็นต้องทำเท่านั้น ถ้ามาอยู่วัาแล้วยิ่งไม่ต้องใช้ความคิดกับอะไรเลยเพราะไม่มีเรื่องอะไรจะต้องให้คิดนี่แหละเป็นสติที่ถูกต้องสติเพื่อหยุดความคิดสติเพื่อเฝ้าดูความคิดนี่ไม่ถือว่าเป็นสติเฝ้าดูสติแล้วดูความคิดล้วหยุดความคิดไม่ได้ดูไปให้เสียเวลาเปล่า คำถามจากคุณโอ๊ตเวลานั่งสมาธินานๆนนจะมองเห็นตัวเองนั่งอยู่ข้างๆอยากถามพระอาจารย์ว่าจิตคือตัวไหนกันแน่ครับตัวที่ไปเห็นหรือตัวที่ถูกเห็นครับทั้งสองตัวไม่ใช่หรอกมันเป็นตัวสังขารปรุงแต่งขึ้นมาทั้งสองตัวต้องหยุดมันด้วยการอยู่กับพุโทโธอยู่กับนม พอมันปรุงแต่งขึ้นมาหลอกเราเราก็หายพุโทโธก็หายแล้วลมก็หายแล้วกลับไปดูว่าตัวไหนเป็นตัวไหนปรุงแต่งถามอีกว่าตัวนี้เป็นเราหรือตัวนั้นเป็นเราขึ้นมาอีกเลยนั่งสมาธิอย่างนี้ไม่มีวันที่จะสงบแต่นนั้เวลานั่งเราเกิดจิตมันปรุงแต่งหลอกปรุงแต่งอะไรขึ้นมาหลอกเราเราอย่าไปสนใจเราให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธต่อไปหรืออยู่กับลมต่อไปเพียงอย่างเดียว อย่าไปสนใจนะเดี๋ยวสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาหลอกเรามันก็จะหายไปคำถามจากคุณปัญสวัสดิ์การที่เราไปศึกษาปฏิบัติภาวนากับทางวัดที่มีสถานที่เป็นวัดป่าห่างไกลจากชุมชนมีที่เงียบสงบ แต่ไม่ค่อยมีพระปฏิบัติเกี่ยวกับจิตตภาวนาแต่ว่ามีอีกวัดหนึ่งที่มีครูบาอาจารย์ดีนำปฏิบัติจิตตภาวนาได้ถูกต้องแต่สถานที่อาจจะไม่ค่อยวิเวกสงบสักเท่าไหร่อย่างไหนจึงจะทําให้มีส่วนให้ผู้ปฏิบัติก้าวหน้ามากกว่ากันครับก็ทั้งสองส่วนเนี่ยเวลาต้องการเรียนก็ไปอยู่กับวัดที่มีอาจารย์สอนพอเรียนเสร็จแล้วเวลาที่เราจะปฏิบัติเราก็ไปอยู่วัดที่มีสถานที่ปฏิบัติเนี่ย ก็เห็นจาเป็นจะต้องอยูอ่เลือกที่ใดที่หนึ่งเมื่อเราต้องการเรียนมีอาจารย์สอนที่ไหนเราก็ไปเรียนที่นั่นพออาจารย์สอนเสร็จเวลาเราปฏิบัติล้วก็ไปหาที่ที่มีที่เหมาะกับการปฏิบัติเราก็ไปปฏิบัติได้ คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามถ้าเราเคยทำผิดศีลแต่เรากลับใจแก้ไขตนเองและพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราจะต้องตกนรกจากการผิดศีลในอดีตไหมครับก็ผิดบาปที่เราทำไว้มันไม่หายไปเพียงแต่ว่ามันจะไม่เพิ่มขึ้นมันจะเหมือนกับว่าถูกบอนไซอยู่ขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดเราพอเราไม่ทาบาปแล้วเรามาทาบุญนะ บุญเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกลายเป็นต้นโพต้นใสขึ้นมาบุญนี้มันก็จะคลุมบาปได้บาปก็จะไม่มีฤทธิ์ที่ยไม่มีกำลังที่จะมาออกผลได้เพราะบุญมันใหญ่กว่าเหมือนต้นใสกับต้นบอลใสนี่คนละเรื่องใช่ไต้นบอลใสก็อยู่ต้นเล็กๆอยู่ในกระถางแต่ต้นใสนี้มันก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นไปแผ่คลุมนั้น พอเราหยุดทำบาปแล้วเราทำแต่บุญเดี๋ยวบุญนี้ก็จะพาเราไปสู่สุคติขึ้นอยู่กับบุญระดับไหนแบบองคุลิมานก็บุญระดับนิพานไปเลยพาไปนิพานเลยบาป ท, ที่ทําไว้เก้าร้อยเก้าสิบาคนกละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนไม่หายไปยังอยู่ในใจแต่มันถูกบันใจไว้มันถูกมันถูกก ำ, กำหนดเพดานไว้อย่างนั้นไม่ให้มีมากไปกว่า น, นี้ แต่กลับมาทำบุญให้เป็นบุญของผ้าอาหารที่ยิ่งใหญ่เหมือนต้นโพต้นใสมันก็ทำให้จิตขององคุลิมา น, นี้อาศัยบุญที่ได้ทำใหม่นี้พาเป็นนิพพานได้บาปไม่สามารถที่จะส่งผลให้กับจิตใจขององคุลิมานได้คำถามจากคุณปริชาติอยากส่งลูกไปบวชเนรอยู่กับหลวงพ่อเพื่อมักผลนิพพานต้องเตรียมการอย่างไรบ้างครับ เราพ่อแม่ทำตัวเองให้เป็นนิมมขวนิพพานก่อนเถิดแล้วลูกก็จะตามเราไปเองพ่อแม่อยู่ไหนลูกตามไปเองส่งไปเดียวมันก็วิ่งกลับมาหาพ่อแม่อยู่ดีเพราะมันมันติดพ่อติดแม่ใช่ไหมพ่อแม่อยู่ไหนนิมมลูกมักจะตามพ่อแม่ไปฉะั้นถ้าอยากจะให้ลูกไปนิพพานพ่อแม่ต้องไปนิพพานก่อนดูพระพุทธเจ้าหมพระพุทธเจ้าเวลา ท่านยังไปไม่ถึงนิพพานท่านไปนิพพานก่อนถ้าไม่ส่งลูกไปนิพพานก่อนท่านเห้นไหม <c oughs> ท่านไปนิพพานก่อนเพราะท่านไปถึงนิพพานแล้วลูกขอตามไปเอง <c oughs> ใช่ไหมดังนั้นถ้าอยากจะให้ลูกไปนิพพานก็คุณต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวลูกขอตามไปเองถ้าคุณไปไม่ไปนิพพานคุณส่งมันไปมันก็ไม่ยอมไปนะเพราะมันอยากจะอยู่ก็ใกล้พอ่อใกล้แม่มากกว่า คำถามจากคุณสิริการตัดตราคะเป็นข้อสอบของพระสกิทาคามีและข้อสอบของพระอรหันต์คืออะไรครับ อ, อ่าตัดอัตตาตัวตนเนี่ยตัดมานะถือการถือตัวถือตอนแล้วตัดความอยากที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในจิตเช่นความอยากจะบรรลุนิพพานนี้ก็ต้องตัด พอถึงขั้นนั้นแล้วความอยากบรรลุ ก, ก็กลายเป็นนิวระกลายเป็นอุปสรรคขึ้นมากลายเป็นกิเลสขึ้นมาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นพระอรหันต์อย่างพระ อ, อนนท์นี่อยากจะเป็นเลอเกินพระพุทธเจ้าก็ทรงทำนายว่าจะได้เป็นในคืนนี้แน่ใหญก็เลยภาวพโวนอยากทั้งคืนไม่ยอมสําเร็จสักทีไม่ได้สักทีพอใกล้สว่างก็คิดว่าโอ๊ยปูมไม่ได้เป็นแน่แน่แล้วพ ร, พ, พระพุทธเจ้าทํานายผิดแน่แนแล้ว ก็เลยหยุดความอยากเป็นพอหยุดความอยากเป็นพอจะไปนอนปั๊บมันก็บรรลุปเป็นผ้าหลานขึ้นมาได้คำถามจากคุณมันชรีการแยกกายแยกจิตเข้าใจดีครับแต่พอเจอของจริงกลับแยกไม่ได้ปวดมากก็โอดโอยทั้งทั้งที่รู้ว่าจิตเรา เขาไปรู้อาการของกายเฉยๆต้องทําอย่างไรให้เจอของจริงแล้วทําได้สักทีครับก็ต้องฝึกสมาธิให้จิตมีอัปปนาสมาธิก่อนให้เข้าสมาธิได้ให้ใจวางเฉยได้แล้วต่อไปเวลาเจอของจริงมันจะไม่โอดควนมันจะทนได้มันจะเฉยๆใช้ปัญญาแยกได้เห้นต้องมีสมาธิก่อนถึงจะใช้ปัญญาได้ต้องได้อปปนาสมาธิแล้วต้องชํานาญด้วยต้องสามารถเรียก อัปปนาคือเรียกอุบเบกขาขึ้นมาได้ทุกเวลาพอต้องการให้มันเฉยในเวลาขณะที่ร่างกายเจ็บปวดก็ต้องเฉยได้เวลาร่างกายจะตายสั่งให้มันเฉยต้องเฉยได้มันถึงจะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ด้วยปัญญา คำถามจากคุณมานาพรกำลังจะแต่งงานกับแฟนที่เป็นคริสแต่ดิฉันไม่เปลี่ยนศาสนาปัญหาคือว่าหากมีลูกควรให้ลูกนับถือศาสนาไหนคะและหากลูกต้องนับถือศาสนาคริสต์จริงๆจะมีบาปอะไรไหมเจ้าคะไม่มีหรอกให้ลูกเขาเลือกเอาก็แล้วกันอย่าไปบังครับเขาให้เขาไปทั้งวัดไปทั้งโบสถ์แล้วเขาให้เขาเลือกเราอย่างเราก็เหมือนกันที่บ้านเราไม่มีศาสนา เขาส่งเราไปเรียนโรงเรียนคิดเรากร็รู้เรื่องคิดอยู่แต่เราก็ไม่ได้ติดคิดพุดเราก็ยังไม่รู้จักมารู้จักว่าตอนที่เราเรียนจบแล้วมาเริ่มอ่านหนังสือธรรมะแล้วเราก็เลยมีการเปรียบเทียบเดี๋ยวว่าคิดกับพุดอันไหนดีกว่ากันเหมือนกับไปซื้อรถนะ่ะโตโยาต้าดีกว่า h อนด a าหรือ Honda ด, ดีกว่าโตโยาตา้าก็เลือกได้เลือกแล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหน ก็อย่าไปบังคับเรื่องเรื่องศาสนาปล่อยให้ลูกเขาตัดสินใจศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าดีมากดีน้อยเท่านั้นเองศาสนาพูกนี่สอนให้เป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นคนดีแบบเพชรน้ำหนึ่งศาสนาอื่นนี่ยังสอนให้เป็นเป็นพลอยอยู่ยังเป็นยังไม่ได้เป็นเพชรคุณค่าต่างกันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเราจะเริ่มต้น ทำกำลังใจอย่างไรในที่ทำงานไม่ให้ไปตามอารมณ์ของคนอื่นครับก็ต้องฝึกสตินะี่ะฝึกสติแล้วสอนใจว่านานาจิตตังคนเราอยู่ในโลกนี้มีความคิดความรู้สึกต่างกันการที่จะไปบังคับให้เขามาคิดแบบเหล่านี้ทำแบบเหล่านี้คงไม่ได้เราเราต้องเราควรจะปล่อยวางเขาไป โดยการใช้สติพุโทโธพุโทโธเวลาที่เราอยากจะไปยุ่งกับเขาเวลาที่เราอยากจะไปจัดการกับเขาก็ถ้าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราเราก็อย่าไปยุ่งเนี่ยถ้าเป็นหน้าที่เรามีอำนาจหน้าที่สั่งเขาได้ก็สั่งเขาไปส่วนเขาจะทำตามหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราจะต้องปล่อยวางเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเอาคาถามสุดท้ายเนะี่ย คำถามจากคุณไกลบ้านเคยโดนครูบาอาจารย์ดุแล้วนึกโกรธไม่พอใจในท่านอันนี้จะเป็นบาปกรรมไหมครับนั่นแหะก็เรียกว่าสอบกรรมฐ า, านไงฉะนั้นสอบตกครูบาอาจารย์ฉันใช้การดุดา่าเราเป็นเครื่องทดสอบจิตใจเราว่าด่าแล้วมันยังเฉยหรือไม่พอด่ า, ดาปั๊บโกรธก็แสดงว่าสอบตกหรืไม่ดีแล้วออกจากโรงเรียนเลยเปลี่ยนวัดเลยไม่เข้าวัดนั้นอีกต่อไป แสดงว่างโง้อสดๆเนี่ย <laughs> คิดว่าตนเองเก่งคนนี้ฉลาดใครแตะไม่ได้ใครต้องไม่ได้น <laughs> นี้แหละเคยเรื่องสอบกรรมฐานเวลาสอบก็ไม่มาบอกล่วงหน้าก่อนเดี๋ยววันนี้จะสอบกรรมฐานนะคร <laughs> ูบาอาจารย์ท่านจะไม่ใช้วิธีนั้นเวลาสอบกรรมฐานนี่ท่านจะดูว่าเราเผออเมื่มอไหร่เผลอเมื่มอไหร่เอาเมื่อ น, นั้นแหละ <laughs> มันนักมวยคู่ต่อสู้ใช่ไหมถ้ามันตั้งการ์ดอยู่ก็ไม่ต่อยมันหรอกต่อยมันก็ไม่โดนมันต้องรอจังหวะที่มันเผยพอมันวางการ์ดลงปั๊บนี่มัดเดียวมัน็อกเข้าไปที่ปลายคางเนี่งั้นระวังเนี่ยถ้าไปอยู่กับพระปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัตินี่ต้องเตรียมรับข้อสอบทุกเวลานาทีไม่รู้จะมาเวลาไหนเมื่อไหร่มาแบบสายฟ้าแลบ